ตอนที่หนึ่งร้ค่ารักษาพยาบาลราคาแพงลิบพวกคุณเห็นฉันเป็นตัวอะไรกันลิวเคอร์อเคอเบิกตากว้างมองคนในครอบครัวนี้ด้วยความไม่อยากจะเชื่อตอนที่เธอตั้งท้องพวกเขาก็บอกให้ทําแท้งก็คือจะให้ทําแท้งพอคลอดออกมาแล้วเห็นว่าเป็นลูกชายที่ไม่แข็งแรงก็บอกว่าจะไม่รักษาเสียอย่างนั้นในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วทําไมตอนแรกถึงไม่จัดการให้เรียบร้อยไปเลยละ่ะนี่มันเห็นร่างกายของเธอเป็นเรื่องล้อเล่นชัดๆเคอรเคอร์อตอนนี้ไม่ใช่เวลามาใช่อารมณ์นะเธอใจเย็นๆหน่อย โจจีน้นี้ตีหน้าครึมฉันเองก็อยากให้ลูกรอดแต่ที่ฉันต้องพิจารณาก็เพราะกังวลว่าหากเราทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับลูกมากเกินไปแล้วสุดท้ายเขาจะไปพวกเราจะยิ่งทำใจไม่ได้มากกว่าเดิมโจเจีนเ้นี้คำพูดดีๆนายก็พูดเอาแค่ตัวคนเดียวหมดเลยนะพวกนายทุกคนใส่หัวออกไปให้หมดหลิวเคอเคอร์อไม่อยากเห็นหน้าพวกเขาอีกคนบ้านนี้ทำให้เธอรู้สึกใส่เสียเอียนไปหมดออกไปก่อนเถอะนิวซูเฟินเตือนให้พวกเขาออกไปคุยกันข้างนอกการพูดเรื่องนี้ต่อหน้าหลิวเคอเคอร์อมันช่างโหดร้ายเกินไปจริงๆ โจจี้นเ ย, ย่จำเป็นต้องคิดทบทวนให้ดีเขาหวังว่าสิ่งที่ตัดสินใจทำลงไปในภายหลังจะไม่ทำให้เขาต้องมานั่งเสียใจวันต่อมาโจเจี้นเย ย, ยังคงอุ้มลูกไปที่โรงพยาบาลก่อนตามคำสั่งของศาสตราจารย์เจียงเขาไม่ต้องลงทะเบียนแต่ให้เดินเข้าไปในห้องตรวจได้เลยตอนนี้เด็กกินนมเป็นยังไงบ้างตอนกลางคืนนอนหลับดีไหมแล้วทำไมแม่เด็กถึงไม่มาด้วยละ่ะเรื่องบางเรื่องพวกคุณสามีภรรยาควรจะอยู่ด้วยกันตรงนี้จะดีกว่าลำพังคุณคนเดียวคงตัดสินใจได้ยาก ศาสตราจารย์เจียงกล่าวอย่างจริงจังพางตรวจร่างกายเด็กอย่างละเอียดอีกครั้งตอนนี้ทำได้เพียงรักษาเบื้องต้นผ่านการฝังเข็มแบบแพทย์แผนจีนหักเด็กยังกินนมอยู่ก็สามารถให้แม่เด็กดื่มยาจีนเข้าไปแทนได้แต่การทำแบบนี้ต้องควบคุมปริมาณยาให้ดีหากไม่เหมาะสมก็ต้องรีบปรับเปลี่ยนทันทีศาสตราจารย์เจียงครับผมอยากถามว่าถ้าต้องกินยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับรบกวนช่วยบอกตัวเลขที่แน่นอนให้ผมหน่อยผมจะได้เตรียมตัวถูกโจเจี้ยนเย่ยถามอย่างระมัดระวัง ค่าใช้จ่ายโดยรวมไม่ถูกแน่นอนพระยาไม่กี่ตัวที่ผมสั่งให้ล้วนมีราคาค่อนข้างสูงยิ่งไปกว่านั้นยังมีการฝังเข็มอีกค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะอยู่ที่ห้าถึงหกหยวนหากพวกคุณทั้งคู่รับเงินเดือนปกติคงแบกรับไม่ไหวแน่กลับไปคิดทบทวนให้ดีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเถอะห้าสหโจเซียนเยรเริ่มลำบากใจหากรักษาหายภายในเดือนเดียวเงินห้าสหยวนก็คงไม่เท่าไหร่แต่ประเด็นสําคัญคือหลังจากนี้ต้องเสียเงินจํานวนนี้ทุกเดือนและนี่ยังไม่่่่่่่รรววมมมคคาาาาผาตััดดออีีก้้ย้ยยยยนนนเเป็ใชจทจทไลิงๆ ลิวานที่อยู่ข้างๆทําหน้าที่เพียงจดบันทึกโดยไม่พูดอะไรส่วนเหวนโม่มองดูเด็กตัวเล็กๆที่ต้องเผชิญหน้ากับความเป็นความตายแล้วในใจก็รู้สึกไม่ดีเลยจริงๆความเป็นหรือความตายของเด็กในตอนนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเพียงชั่ววูบของผู้ใหญ่เท่านั้นในเมื่อพวกคุณลังเลขนาดนี้ตั้งแต่แรกก็ไม่ควรปล่อยให้เด็กเกิดมาเลยเหวนโม่ขมวดคิ้วแน่นเขาไม่ค่อยเข้าใจความคิดของโจเจียนเย่นักเพียงเพราะเด็กไม่แข็งแรงอย่างนั้นหรือถึงได้คิดจะทอดทิ้ง ตอนเขายังเด็กก็ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนกันแต่กว่าจะโตมาได้ขนาดนี้เขาก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากคนในครอบครัวจนตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ดีบางทีอาการของเด็กคนนี้อาจจะเหมือนกับเขาพอผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ก็คงไม่เป็นอะไรแล้วการที่พวกเขาตัดสินใจจะยอมแพ้ในตอนนี้ดูจะเป็นการกระทําที่ไม่รับผิดชอบเกินไปหน่อยเหวินโม่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่เธอจะมาพูดแทรกเธอจดบันทึกอยู่หรือเปล่า ศา ส, สตราจารย์เจียงเตือนเสียงเย็นไม่ให้เขาพูดจาสีสวยในฐานะหมอสิ่งที่ให้ไปเป็นเพียงคําแนะนําส่วนจะเลือกอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับญาติคนไข้ห้ามมาชี้นาการตัดสินใจของญาติคนเททีนี่ไม่ว่าญาติจะตัดสินใจอย่างไรพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์ไปตั้งคําถามเวิรนโมไม่ได้มีความคิดพิเศษอะไรเขาแค่รู้สึกทนดูไม่ได้จริงๆเขาถอนหายใจยาวขอโทษครับอาจารย์ผมจะควบคุมอารมณ์ให้มากกว่านี้เชิญอาจารย์ต่อเลยครับ คุณกลับไปเถอะวันนี้ผมยังมีคนเค้คนอื่นอีกอาการลูกของคุณซับซ้อนจำไว้ว่าคราวหน้าให้พาแม่เด็กมาด้วยครับโจเจี้ยนเย่ยพอจะรู้ตัวเลขในใจแล้วตอนนี้แม้แต่ค่าครองชีพของคนทั้งบ้านยังแทบไม่มีแล้วจะเอาเงินห6าสหหยวนจากไหนมาช่วยชีวิตลูกในทุกๆเดือนหรือว่าเด็กคนนี้ถูกลิขิตมาให้ตายโจเจี้ยนเย่ยอยากช่วยชีวิตลูกก็เรื่องหนึ่งแต่การไม่มีความสามารถในการช่วยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ศาสตราจารย์ครับเมื่อกี้ท่านพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงแบบนั้นพอกลับไปปรึกษากันพวกเขาต้องไม่เก็บเด็กคนนี้ไวแ้แน่แน่เวอรโมขมวดคิ้วแน่นพรางกล่าวอย่างจริงจังท่านไม่ควรพูดแบบนั้นเลยครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันก็แค่ความจริงมีแต่หมอเถื่อนเท่านั้นแหละที่จะคอยหลอกให้พวกเขารักษาต่อไปเรื่อยๆไม่มีปัญญาก็คือไม่มีปัญญาถ้าเขามีปัญญาเขาคงบอกผมตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ว่าจะเสียงเงินเท่าไหร่ก็ต้องรักษาชีวิตลูกไว้ให้ได้สรุปแล้วก็คงต้องโทษที่เด็กคนนี้วาสนาน้อยเองศาสตราจารย์เจียงกกกล่่่าาาวับพเเขอยงงครึม รวมถึงพวกเธอด้วยทุกเรื่องควรจะยืนอยู่ในมุมมองของคนค่ายเพื่อพิจารณาปัญหาไม่ใช่คิดเอาเองตามใจชอบเหวินโม่เธอเกิดในครอบครัวที่มั่งคั่งมาตั้งแต่เด็กย่อมไม่เข้าใจการกระทำของพวกเขาหลอกเงินเพียงไม่กี่หยวนก็ทำให้วีรบุรุษจนแต้มได้เหมือนกันถ้าเป็นลูกสาวพวกเขาคงไม่ต้องมานั่งลาบากใจแบบนี้หรอกคงไม่รักษาไปตั้งนานแล้วหลิวหวันพูดขึ้นมาอย่างไม่ใส่ใจ ชีวิตคนในสายตาพวกเขามันไม่มีค่าอะไรเลยหรอกที่พวกเขารู้สึกเสียดายก็เพราะเป็นลูกชายถึงได้พยายามหาทางช่วยชีวิตเด็กคนนี้ทุกวิถีทางแต่ดูจากตอนนี้แล้วถ้าไม่มีเงินก็คงไปต่อไม่ได้จริงๆเหงเวนโม่มองหลีหว่านตาค้างเขารู้สึกว่าคําพูดของเธอมีความในแฝงอยู่เสียวหวานเธอฉันทําไมเหรอที่ฉันรอดมาได้จนถึงตอนนี้ก็เพราะฉันดวงแข็งต่างหากฉันเกิดมาครบถ้วนสมบูรณ์ดีทุกอย่างแต่เพียงเพราะเป็นลูกสาวเกิดจะถูกพวกเขารุมฆ่าให้ตายเสียแล้ว แม่ของฉันต้องคอยดูแลฉันอย่างระมัดระวังมาตลอดสิบกว่าปีสุดท้ายพวกเขาก็ยังหาทางจะเอาชีวิตฉันกับแม่ให้ได้ช่างบ้าคลั่งสิ้นดีหลหวานแค่นหัวเราะเพราะงั้นฉันเลยคิดว่านี่มันคือกำตามสนองชัดๆแต่ฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าต่อให้เป็นกำตามสนองมันก็ควรจะไปลงที่ตัวพวกเขาเองสิทำไมต้องมาลงที่เด็กผู้บริสุทธิด้วยเวนโมศาสตราจารย์เจียไม่พูดอะไรคนท่คนต่อไป โจจี้เย่ไม่มีเงินตอนนี้เงินเดือนของเขาในแต่ละเดือนก็แค่สิกว่าหยวนเงินเดือนของคนทั้งบ้านรวมกันยังไม่ถึงห้หยวนเลยด้วยซ้ำแถมในแต่ละเดือนยัง ม, มีค่ากินค่าอยู่และค่าใช้ใจ่ายจิปะเถิอนอื่นอีกไม่มีทางที่จะเจ็ดเงินห้กว่าหยวนมาเป็นค่าหยุดยาได้เลยโจจี้เยี่ยอุ้มลูกกลับมาด้วยท่าทางเหม่อลอยเขาตัดสินใจแล้วว่าจะไม่รักษาต่อลิวเคอเคอเห็นเขาเป็นแบบนี้ก็รู้ได้ทันทีว่าการไปคุยครั้งนี้คงไม่ราบรื่นแน่ส่งลูกมาให้ฉันเถอะลิวเคอร์ออเคอร์ยื่ ลูกจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับวาสนาของเขาเองพวกเราอย่าไปฝืนเลยฉันเข้าใจความลำบากของนายการมีลูกแบบนี้มีแต่จะเป็นภาระให้ลูกสาวของเราถ้าจะโทษก็ต้องโทษที่เขาเกิดมาดวงไม่ดีเองโจจี้นเยียกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลําบากหมอบอกว่าค่ารักษาหลังจากนี้อย่างน้อยก็เดือนละ5 0าสิบถึงหกหยวนพวกเราแบกรับไม่ไหวหรอกเคอเ ค, อ, เคอฉันขอโทษนะถ้าเธอจะโกรธก็โกรธฉันเธอโกรธที่ฉันไม่มีความสามารถพอจะมอบชีวิตที่ดีกว่านี้ให้พวกเธอได้